สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนม ก, กราคมกันแล้วนะคะคือเป็นวันเสาร์ที่28ม ก, กราคมปีพุศกราช2555ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่าเดือน3นะคะ ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นผู้ที่สนทนาทำกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคูห ล, ลงพ่อดรสะอาดที่ตโตภโซหรือท่านพระคูสิษย์ที่ภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีถึงคําว่าทุกเสราร์อาทิตย์ เราก็จะมาฟังสนธนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสากชากันนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนพรสาทุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะเจ้าค่ะยมอยากจะขออนุญาตนําคําเรียกว่าไม่ไม่เชิงคําถามนะเจ้าคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณนรงคศรีบุญเรืองซึ่งก็เป็นแฟนรายการประจํา คนนึงของรายการนะเจ้าคะแล้วก็ <c oughs> คุณนรงก็เคยเขียนมาถามเราครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณเดือนธันวาคมวันเดือนนี้ก็ในเดือนวันที่สิบอ็ดมกราคมนี้ก็คุณนรงศรีบุญเรืองก็เขียนมาถามหรือว่าเขียนมาคุยอีกนะเจ้าคะ <c oughs> ซึ่งยมจะขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วก็คิดว่าต้องมีประเด็นจาก คำปารถของคุณอรุณสีบุญเรืองนี้ให้ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาหรือสนทนธรรมของเราในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าคะ เ, าเจ้าค ะ, ะทางคุณรุณสีบุญเรืองก็บอกมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเจริญธรรมสานึกดีครับคุณเตนใจผมต้องเขียนจดหมายมารบกวนทางคณะผู้จัดทารายการธรรมารับอรุณอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คณะของท่านกําลังทําอยู่ขณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เป็นสิ่งที่ต้องให้มีขึ้นในสังคมจริงๆเพราะสิ่งที่พระอาจารย์ไพบู์นำมาเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆซึ่งท่านก็นำมาพูดเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเรียงลําดับขั้นตอนได้ดีไม่สับสนเป็นธรรมะที่ครบถ้วนขบวนความถ้าผู้ที่ฟังแล้วค่อยๆนาไปปฏิบัต ชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนยิ่งเป็นธรรมะที่ดีถูกต้องแล้วฟังทีไรก็มีความสุขทุกทีทำให้เรามีความมั่นใจในทิศทางนี้เพราะฉะนั้นคุณรงค์จึงบอกว่าเป็นสิ่งที่คณะของท่านกำลังทาอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของสังคมคุณรงค์บอกว่าผมกล้าที่จะพูดเช่นนี้เพราะตั้งใจปฏิบัติธรรมมา25ปีแล้ว ได้ฟังได้อ่านเรื่องของธรรมะมามากพอสมควรซึ่งผมเองเป็นนักปฏิบัติก็ลองผิดลองถูกมามากกว่าจะลงตัวได้มีจิตที่เนียนพอได้ก็เมื่อสองสมปีมานี้เองอผมกลัวเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆถ้าไปพบอาจารย์ที่ไม่สัมมาจริงเข้าก็จะปฏิบัติผิดไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ดังนั้นคุณนรงก็บอกว่าผมจึงต้องยืนยันมาอีกครั้งว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ขณะ น, นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมที่จะต้องมีแล้วก็ได้เพิ่มเติมมาอีกนะคะว่าท่านได้ประโยชน์จากประโยชน์ของพระอาจารย์ไพบูลที่เคยเทศหรือว่าเคยชี้แนะไว้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธเกลียดใครทั้งสิ้นเมื่อเราเห็นหรือพบอะไรที่ไม่ถูกต้อง เราก็เริ่มตั้งแง่กับเขาแล้วพอนึกถึงประโยคนี้คุณรงศรีบุญเรืองก็บอกว่าอพอนึกถึงประโยคนี้ของพระอาจารย์ขึ้นมาทีไรก็เปลี่ยนความคิดได้เลยซึ่งทุกวันนี้คุณรงก็ได้ใช้ประโยคนี้เนี่ยเป็นคําภาวนาอยู่ตลอดเลยเจ้าค่ะก็ขอบความเมตตาพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุญโนได้สาัฉาในประเด็นที่คุณรงศรีบุญเรืองได้เขียนเปาครบเข้ามาในรายการของเราในเช้าวันนี้เจ้าค่ะกลาบนิมนเจ้าค่ะเคลิ่มพรในกรณีของคุณนรงที่เขียนเข้ามาเนี่ย จะมาจําเรื่องนี้ได้สมัยเด็กๆตอนอที่จะมาเรียนแบบเรียนภาษาไทยอะ่ะเขามีหนังสือเรื่องมานีชูใจปีติ อ, อะไรพวกนี้ไมไม่รู้สมั ย, น, ยนี้เขาเรียนกันอยู่หรือเปล่าคงไม่มีแล้วจ้าะก็<笑><笑> <g ül> มีสมัยหนึ่งที่ปีติเนี่ยไปกับย่าไปวัด<ๆ>แล้วก็มีพระเทพอยู่ปีติก็นอนหนุนตักย่าแล้วก็หลับไปหลับลับตื่นๆนะเจ้าค่ะแล้วก็ได้ฟังฟังได้แค่สองสามคำานยเช่นบอกว่าตื่นสายก็ดีขี้เกียจก็ดีขโมยของก็ดี ทำให้ปีติเนี่ยเข้าใจไปว่าไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม เ, <c oughs> เขามีเรื่องนี้ในสมัยที่เราเรียนแบบเรียนภาษาไทยเจัด <c oughs> มาขำขำ <c oughs> แล้วว่าอุ้ยตายแล้วปีติเนี่ยฟังฟังเทศแค่นี้เราก็เลยทําให้ตัวเองกลายเป็นคนไม่ดี <c oughs> จนกระทั่งมาตอนท้ายๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกลับตัวเป็นคนขยันขึ้นมานะถ้าเราจําได้ในเรื่องราวสมัยก่อนเนี่ยเออก็ทําให้เราตั้งใจว่าฉันจะไม่ฟังทําอย่างนั้น อันนี้เป็นเรื่องสมัยเด็กๆที่ออกมาจนบัตินี้ก็ยังจําได้น ะ, ะ, ะว่าเราจะไม่ฟังคํานิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปคิดอะไรต่างๆเราจะไม่เป็นแบบปีเต ะ, ะ, ะอือะความจำอาจมาอาจจะคลาดเคลื่อนนะในเรื่องของว่าชื่อคนอาจจะเป็นปีติหรือว่ามาณมานีอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องราวเป็นลักษณะนี้จ ะ, ะ, ะทําให้เราม า, มาพยายามที่จะเงี้ยโสดลงสดับพรทธเจ้าใช้คํานีนะ้ใช้คําว่าเงี้ยโสดลงสดับฟังคนที่เงี้ยโสดคอยฟังเนี่ยจะได้ฟังซึ่งธรรมะ บางทีเราไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านพูดคําเดียวสั้นๆหุ้น ห, นหนุ้นโอ้โหแต่ว่ากินใจความใช่ไหมเราคนที่คอยเงี่ยบสวดฟังเนี่ยเขาจะได้ธรรมะแล้วก็ในเรื่องราวของธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะเดิมธรรมะเดียวธรรมะอย่างเดียวที่พระเจ้าสอนคืออันมีอันเดียวไม่มีอันอื่นนะไม่ใช่ว่าอาจารย์องค์นี้ก็สอนแบบของท่านองค์นั้นก็สอนแบบของท่าน คือทั้งหมดมันต้องมาจากพระรูปธรรมเจ้าใช่ไหมแตก่การกําหนดบทเพ็นชนะวิธีการนําเสนออาจจะไม่เหมือนกันนีซึ่งมนันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปวิธีการนําเสนอมันก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชใช่ไหมแล้วก็วรูปแบบของการแสดงธรรมเนี่ยก็ยังจะต้องมีรูปแบบที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นที่คุณนรงเขียนเข้ามาเนี่ยคือในเรื่องนี้ตัวเราเองก็ได้คุยกับคุณเตือนใจได้คุยกับทีมงานมีคุณ ทรงพลชูเวศมีคุณปัญญาชมจัมปีหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์นะนะที่เราได้ปรึกษากันว่าเอ้เราจะทํารายการยังไงก็ได้คุยกันออกมาในรูปแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องการนําเสำนอธรรมะเนี่ยจะมายกย่องตัวเราคนเดียวไม่ได้แต่ต้องยกย่องทั้งทีมงานเลยนะจะมีคุณเตือนใจบ้างคุณปัญญาบ้างคุณทรงพลต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยอเป็นกําลังใจใหนะ้ทุกคนก็ทํากันอย่างเต็มที่ เพะถ้าท่านผู้ฟังได้ประโยชน์เนี่ยก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเนี่ ย, ยมันจะต้องเป็นคือนักปฏิบัติต้องลองผิดลองถูกตัวพระพุทธเจ้าของเราเองนะก็ยังต้องลองผิดลองถูกนะว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดไหมสุดตรงสองข้างนะลองหมดนะทั้งที่ว่าเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการบุคคลหานะนอนตื่นสายกินข้าวเยอะลองหมด <Okay. S 2> นะจนกระทั่งไม่กินเลยไม่นอนเลยนั่นะก็ลองมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็การปฏิบัติตรงนี้เราถึงจะเห็นแงม่มุมต่างๆอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ลองหมดนะข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเราลองทําดูทํามันสักเดือนหนึ่งสองเดือนเป็นยังไงข้อปฏิบัติอื่นๆเราอามาลองทำํำนะไม่กินข้าวสักสามวัน7จ็ดวันเป็นยังไงกินข้าวมันวันละให้อิ่มๆแล้วมันเป็นยังไงื อ, วว อ, อ, อง เ, งงเราก็ลองหมดเพราะนั้นคนที่มีประสบการณ์อย่างคุณรงค์เป็นต้นเนี่ย จะเห็นแง่มุมหลายอย่างก็ <Okay. S 2> คืออาตมามั่นใจว่าถ้าคนที่ปฏิบัติมาถึง25ปีเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกมาหมดเนี่ยคุณจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นแงม่มุมพระพุทเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติในจิตอันยิ่งคือจิตของเราเนี่ยมันมีที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปใช่ไหมจนกระทั่งสามารถเรารู้ได้ว่าเฮ้ยจิตของเราเนี่ยมันละเอียดลงไปเนียนลงไปลึกซึ้งลงไปเนี่ยแง่มุมอะไรต่างๆเราไม่เคยเห็นมันก็มาเห็นอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เราเราจะจะรู้ได้ ก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วในเรื่องนี้เนี่ยเป็นก็เรียกว่าจะพูดว่าไงล่ะคุณเตืนใจเป็นเรื่องที่เร า, เารู้ได้เฉพาะตนเจ้าค <Okay. S 2> ่ะเอามาอธิบายเขียนใส่จดหมายาหรือว่าออกทีวีพูดมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจอะ่ะเจ้าค่ะอืมเหมือนอย่างตอนที่พระเจ้าตรัสสุรธรรมะใหม่ๆหมเตือนใจโอ้มันคือคื อ, คอพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ใครมารับรองความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเข้าใจไหม ความเป็นที่จิตมันสบายขนาดไหนหรือว่าพระอรหันต์องค์ไหนเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใครต้องการมารับรองเออถูกถูกท่านเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าถูกถูกและท่านปฏิบัติถูกแล้ว<า>ไม่ได้ต้องการให้ใครมารับรองเพราะว่าความสุขอย่างนี้มันมันเป็นของรู้เฉพาะตนคนที่จะมารับรองหรือว่ารู้อย่างที่เรารู้เนี่ยคุณต้องเป็นเหมือ น, นเราคือหมายความว่าถ้าคุณจะมารับรองว่าคนนี้เป็นสมมาสมุททุชาคุณเป็นสมมาสมุททุชาหรือเปล่าถ้าคุณเป็นสมมาสมุททุชาคุณถึงจะไปรับรองเขาได้ว่าคุณเป็นสมมาสมุททุชา่ว่าเขาเป็นสมมตาสม คุณอาจจะไปรับรองได้ว่าคนนี้เป็นพระหลานด้วยคุณธรรมต่างๆที่จากคําถามที่ตรวจสอบกันไปแต่ถ้าเราไม่รู้อย่างสมมติเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะหรือเราไม่เก่งภาษาเกาหลีอ่าเงี้ยคนเขาพูดภาษาเกาหลีได้2องสาคำเราบอกว่าคุณเก่งภาษาเกาหลีนะเขาอาจจะไม่เก่งก็ได้ก็อาจจะพูดได้แค่ 2- องสามคำแต่เราพูดไม่ได้เลยสักคําแล้วเราบอกเขาว่าเก่งภาษาเกาหลีเพราะมันมันจะไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่างอย่างคุณนรงุงที่พูดถึงประเด็นเนี้ย จึงจะทราบวาระจิตตัวเองดีแน่นอนผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องทราบวาระจิตตัวเองเจ้าค่ะคือเอาไม่ต้องเอาอื่นไกลอเด็กประถมเขาก็ทราบนะว่าเวลาเขาเห็นของหวานหวานเขาก็อยากกินไม่ไงั้นเขาคงไม่ร้องออกมาแต่แม้นั้นเขาก็ทราบวาระจิตตัวเองแต่ว่าจะควบคุมได้ไหมจะใช้วิธีการไหนจะทําอย่างไรให้จิตเนี่ยอยู่ในอํานาจของเราได้ในซึ่งกระบวนการตรงนี้วิธีการตรงนี้เนี่ยพระเจาค้นพบ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่าค่อนข้างจะละเอียดแยบคายนะ ใ, ในสมัยนั้นที่บางคนเขาจะไปพึ่งว่าโอ้วิ่งบอลสารกล่าวขอให้เทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้มันช่วยให้ชีวิตฉันมีความสุขอย่างเงี้ยแต่วิธีการของพระเจ้านี่ค่อนข้างจะแหวกแนวนะคือใช้ตัวฉันเองควบลุ่มเองนะพึ่งตนพึ่งธรรมวิธีการที่ได้บอกสอนไว้ก็อย่างที่เราพูดพูดมาในรายการเนี่ยคืออาตมาก็จะพูดไม่หนีออกไปจากเรื่องของมักมีองแปด ถ้ามาพูดหนีออกจากเรื่องของมาร์กมิอง8เนี่ยนะอุย้ยเราเราอยู่ไม่ได้คือเราจะไม่เรียกว่าเราเป็นสมณะในในคำสองบุริเจ้าสมณะในสายศักยบุตรนะนะคือคือถ้าถามว่าตัวเราชื่ออะไรเราก็ต้องบอกว่าชื่อไพบูลใช่ไหมอ่าเป็นอะไรเป็นสมณะนะสมณะแบบไหนก็สมณะแบบศักยบุตรคือพระชจ้าของเราเนี่ยเป็นนําสกุลโคดมมาอยู่ในเชื้อสายสักยวงศรอ่าชื่ออ่าชื่อสินทัต t h เนะพราะฉะนั้นการบวชของอาตมาเนี่ยก็อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทําแบบไหนปฏิบัติยังไงเราก็ทําตามโจ้ค่ะปฏิบัติตามเพระาะฉะนั้นเราจึงเป็นสมณะในเชื้อสายศักยบุตรเป็นบุตรที่เกิดจากอโอทของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราพูดอะไรเป็นเรื่องที่เป็นนอกแนวเนี่ยมันก็จะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นพูดเรื่องที่อยู่ในแนวทางคือมัธยนั่นเองแล้วถ้าท่านผู้ฟัง อาจจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจยังไงก็เขียนจดหมายสื่อสารมาอย่างลักษณะอของอคุนระงศรีบุญเรืองนี่ก็ได้ในเรื่องของความที่เวลาเราเจอคนที่เขาโกรธเกลียดไม่พอใจอย่างนี้น ะ, ะมี เ, เรื่ออารมณ์ขึ้นลงตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยมามีความเห็นอย่างนี้คือจริงๆก็เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเคยบอกว่าเหมือนกับเด็กอ่อนแบบบอก เด็กที่ไม่ค่อยมีกําลังยังยังยังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมเขาหยิบชิ้นกระเบื้องชิ้นหนึงเข้าไปในปากหยิบเข้าไปแล้วพี่เลี้ยงเห็นทําไงก็ต้องรีบดึงเอาออกให้โดยเร็วนะจะมีแต่ความเมตตาสงสารเด็กจะไม่มาด่ามาว่าหรือว่าตีเด็กให้ให้เจ็บ<ม>ๆบแสบแสบแต่ว่าการจะดึงออกเนี่ยถ้าจะต้องเลือดออกก็ต้องจะทําอย่างนั้นจ้าค่ะนั่นคือบางคนเนี่ยจิตเขาไม่ไม่มีกําลังไม่แข็งแรงไม่รู้เรื่องเขาโกรธบ้างเขาเกลียดบ้าง เขามีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเราเห็นเขาเป็นเด็กทารกคุณเตใจเจ้าค่ะเป็นเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่บางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่โอ้ยพูดว่านิดนึงก็จี๊ดโกรธด่ดาว่าเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าทุกเจ้าค่ะแต่จิตแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยเป็นจิตแบบเด็กแบบบอืเจ้าค่ ะ, ะเด็กแบบบอเราควรจะไปตีเขาหรอเราควรจะไปโกรธเขาหรอไม่ควรควรแต่จะมีความเมตตาคอยบอกสอนว่า เ, ออเด็กคุณทําไม่ถูกนะต้องทําอย่างนี้นะแก้ไข อ, อย่างอย่างพ่อแม่สอนลูกน ะ, ะนะถ้าจะดีแต่ว่าด่าแต่ว่าเด็กมันยังไม่รู้เดียงสายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะบางทีต้องสอนด้วยวิธีรุนแรงบ้างละมุนละไมบ้างอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันคนที่มีจิตยังขึ้นลงอยู่จิตยังไม่ปกติจิตยังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆอดทนเอาเราก็ถ้าเราไปโกรธ ด, ด่าว่าเนี่ยเราไม่เป็นผู้ใหญ่ คือเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีไม่สามารถบอกสอนเขาได้อย่างดีๆได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะถ้าเรามองมุมนี้แล้วเนี่ยมันจะหาช่องทางในการโกรธไม่เห็น อ, อย่างบางคนเนี่ยมาด่าเรามาว่าเราเขาได้ข้อมูลไม่ถูกต้องเขาพูดกับเรามาอย่างเนี้ยแม้เราจะไปโกรธเขาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ถูกเพราะว่าอย่างที่คุณบวรเรืองว่าเนี่ยน้อว่าเราไม่มีสิทธิ์โกรธเกลี <umbling S 1> ยดใครเพราะว่าจิตเขาอาจจะยังไม่สมประกอบ คะนะคนคือคนบ้าเราจะไปโกรกคนบ้าเหรอ<ม> <uld iro> ใช่ไหมยอยที่บอกว่าอย่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาใช่ไหมใช <hr> <c oughs> ่คนที่มีอารมณ์โกรธคนที่มีอารมณ์โลภพวกนี้ยเป็นคนบ้านะคือ <c oughs> คนที่ยังมีกิเลสอ่ะพูดง่ายๆเลยคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยบ้านนะเจ้าค่ะบ้าหมายก็ว่าคุณไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะ <c oughs> เจ้าค่ะเอจิตจิตคุณเป็นสองมาตรฐานนะ มีอะไรที่พอใจมารับคุณก็ไหลไปตามมีอะไรที่ไม่พอใจมารับคุณก็ขยักขยั่งเกลียดชังสองมาตรฐานแล้วก็ยังคือคือถ้าเป็นคนดีเนี่ยคนที่ไม่บ้าเนี่ยเขาจะสบายอยู่ได้ะอะไรดีฉันก็สบายอะไรไม่ดีฉันก็สบายอันนี้ถึงจะจะดีจริงๆะนะไม่เป็นจิตติบ้าแต่จิตติบ้าเนี่ยบางคนนี่บ้า ก, กลับหลังด้วยซ้ํา อะไรดีๆมากรบเกลยียดอะไรไม่ดีมากรบพอใจ <K il jo> มันมันบ้าสอลักษณะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตไม่ให้มันบ้าฝึกจิตให้หมดจากราคะโทสะโมหะจะฝึกจิตตรงนี้ได้ก็ค่อยๆทําไปวิธีการกรรมวิธีเนี่ยพระพุทธเจ้ามีให้อยู่แล้วแล้ว ก, ก็เราก็ค่อยๆทําไปอย่างเงี้ยจะสามารถเห็นผลได้แล้วก็ถ้าแปลว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีคําถามหรือว่าสิ่งใดๆที่ต้องการสื่อสารกับรายการก็ส่งมาได้อย่างที่คุณบุญเรืองทํา ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ที่จะขยายความจากจดหมายของคุณนรงศรีบุญเรืองอที่เขียนมาจากทางจังหวัดจุมพรที่พูดถึงความละเอียดเนียนลงของจิตเนี่ยความละเอียดเนียนลงของจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจิตอันยิ่งในภาษาบาลีคืออธิจิตอออัา่งทอทงทสละอีแล้วก็จิตในอธิจิตเนี่ยคือจิตอันยิ่งจิตอันยิ่งในที่นี้คือหมายถึงว่าบางที คนที่เป็นหัวหน้างานอย่างนี้นะคุณตนใจเขาอาจจะมองเห็นแง่มุมอะไรต่างๆเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วะประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีมาจากการทำงานต่างๆทำให้ทำให้เขามีมุมมองมีจิตที่ละเอียดขึ้นในการงานซึ่งคนที่มาใหม่หรือคนที่เริ่มทำงานจะมองไม่เห็นเช่นเดียวกันเวลาที่เราฉลาดในวรรจฉิของตัวเองเนี่ยคนที่ฉลาดในวรรจฉิของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าที่อายุ่ไม่ได้ว่า คุณต้องอายุมากแล้วคุณถึงจะฉลาดในวาระจิตตัวเองมากขึ้นนะอย่างบางทีเราเห็นบางคนเนี่ยอายุน้อยก็เป็นหัวหน้างานได้ใช่ไหมหรือว่าอายุมากก็ยังเป็นตักต่อยอยู่ก nah. ็มีใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได right> ้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันในเรื่องของจิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เห็นแง่มุมต่างๆของจิตเนี่ยจิตเราจะละเอียดลงนั้นละเอียดลงละเอียดลงแง่มุมต่างๆของจิตมาจากไหนก็คือมาจากผัรษานั่นเอง พัฒนาที่เราได้รับการกระทบอยู่ทุกวานทุกวันเนี่ยวันนึงหลายๆครั้งนะวันหนึ่งหลายหลา น, ะ น, นลาทีนาทีห น, นึง่งทุกๆวินาทีมีหมดเนี่ยพัฒนาตรงนี้จะเป็นตัวที่จะสอนให้จิตของเราเนี่ยละเอียดลงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของพัะน า, าคืออัตฉริยะน ะ, ะแล้วก็ฉลาดในเรื่องของการเขาเรียกว่าการทํางานของพัฒนาตรงนี้เนี่ยจะทําให้พระสัตธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นาน คือหมายความว่าแค่เราฉลาดในเรื Been e> ่องของภาษาที่มากระทบแล้วก็ดูเห็นการทำงานของมันนะเราจะไปได้ไวในการปฏิบัติจะเป็นเหตุที่ทำให้พระธรรมตั้งอยู่ได้นานภาษะที่มากระทบเนี่ยก็มีอยู่6อย่างใช่หคือรูปกับรูปกับตาเสียงกับหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ฮะทั้งหมด6อย่างอันนี้เรียกว่าภาษะแล้วเวลามากระทบแล้วยังไงคือบางบางคนเนี่ย ที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะก็ ค, ะคือว่ามากระทบแล้วก็ไหลไปตามเพลินไปเพลินนี่คือมีเพลินทั้งบวกและลบนะ่ะไหลไปตามนี่คือมีทั้งบวกและลบหมายความว่าถ้าชอบชอบก็รู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มหลงยินดีะนะถ้าไม่ชอบไม่ชอบก็ขยะกขยงเกลียดชังนะ่ะนี่คือเพลินไปละอ่าถ้าเธอเพลินไปอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่เห็นแง่มุมล ะ, ค, ะนะคุณก็จะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเลยเขาบอกว่านี่นี่ นี่ดูสิต้องเอาบูชาอย่างนี้นะเรียกเทพเจ้าลงสวรรค์จุดธูปเท่านี้ดอกใช้ผ้าสีนี้อะไรต่างเนี่ยนะเราก็ไหลไปตามนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่ายังตามภาษาอยู่แต่ถ้าเรามีการพิจารณาให้ยับคายก่อนที่ผู้บรรจจะใช้คําว่าโยนิโสมนัสิกานไหมคือเมื่อไหร่ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเนี่ยนะแล้วประกอบกับสิ่งที่เป็นโยนิโสมนัสิการเนี่ยจะทําให้สมาธิฐิเกิดขึ้นได้ พอจิตที่มีสมาทิฐิแล้วเนี่ยจะทำให้จิตของเรามีสัมาสมาธิได้จิตที่มีสัมาสมาธิแล้วเนี่ยก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบทั้งทั้งบวกและทั้งลบจิตที่เป็นอย่างนี้หมายความว่าไงคุณจิตคุณเข้มแข็งขึ้น1ระดับจิตคุณละเอียดขึ้น1ระดับ1่ระดับคือมันมีเป็นหลายๆระดับนะหระดับคือหมายถึงหนึ่งหนึ่งเราเข้าเช่นชัยเข้าไป19่ละอ่า แค่เรามาเห็นโดยแยบคายเราพี่นี่พิจารณาก่อนไม่ไหลไปตาม ท, าทันทีอย่างเงี้ยเราก็ฉลาดขึ้นละหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นในชั่วโมงบินตรงนี้สำคัญคชั่วโมงบินไม่ได้อยู่ที่อายุด้วยนะแต่ชั่วโมงบินอยู่ที่เวลาที่เราปฏิบัติเราฝึกจิตเองใช่เราฝึกจิตตรงนี้นั่นเองอแล้ว ก, การฝึกจิตตรงนี้เราทำได้ตลอดเวลานะทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกเวลา มไม่ต้องพูดถึงเวลาที่เราตื่นก็ได้เอาแค่นอนเรายังทําได้เลยพระเจ้ชมพูดถึงคนที่มีสติในการนอนจเจเป็นยังไงเจ้าค่ะก็เคยตรัสไว้ายัางงี้ว่าถ้าเรามีจิตที่เป็นสมาธิแล้วนะจิตที่เป็นสมาธิเช่นว่าเราเจริญอานาปนานสติอย่างงี้น ะ, จ, ะ, ะจิตของเราตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนว่ า, าบาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ไหลาตามเราผู้นอนอยู่เลยอเพราะฉะนั้นขณะที่เรานอนหลับไปเนี่ย เราจะไม่ฝันร้ายเราจะไม่คิดถึงเรื่องที่เป็นกา ร, รพยาบาดเบียดเบียนจะไม่มีในจิตอืแล้วก็ผู้ที่เจริญเมตตาอยู่บ่อยๆเนี่ยจะไม่ฝันร้ายด้วยอในการนอนขณะนั้นของเราเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เพียรเผากิเลสแล้วอืไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะโชคดีมากๆเลยว่าช่วงตัวจีนเขาจะมีคําว่าเฮงเฮงใช่ไหมออย่างนั้นเรียกว่าเราเฮงมากแล้วเพราะว่านอนเนี่ยไม่มีฝันร้ายไม่มีอะไร ทนิยมขออนุญาตกราบเรียนถามาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโนะเจา้าคะว่าสำหรับเรื่องของการที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าเราแม้จ็จะนอนเนี่ยก็ยังทาทำ คือทำสติเราได้อย่างนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้แนะนํานิดนึงเจ้าค่ะว่าสมมุติว่าโยมจะนอนเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วยมก็หลังจากที่ไหว้พระแล้วเราก็มีการแผ่ควรจะแผ่กุศลหรือว่าแผ่ทั้งหลายแหล่นี่เจ้าค่ะเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเจ้าค่ะแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็จะต้องพูดประโยคที่มัสสครูพระอาจารย์บอกใช่ไหมเจ้าค่ะว่าขออักุศลทั้งหลายอย่าได้ตามมาในระหว่างที่ข้าพเจ้าหลับเลยนี้ไหมใช่ใช่เจ้า คือคือน้อมจิตไปเพื่อการนอนเจ้าค่ะการน้อมจิตไปเพื่อการนอนทํายังไงก็คิดว่านอนนี่เหมือนง่ายอย่นะคุณใช่แต่นอนอย่างสงบบางทีมันก็ไม่ได้มันใช่ไหเจ้าค่ะคือแค่เราเป็นจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราก็คิดว่าเราจะนอนแค่นั้นเองเจ้าค่ะเราคิดว่าเอาฉันจะนอนละแค่นี้เองเราตั้งจิตไว้เพื่อการนอนอ่าคือคือก็แค่นั้นเองแล้วเราก็กําหนดลมหายใจต่อไปเป็นต้นนะเดี๋ยวไม่เกินหนาทีคุณเตือนใจคนครอกๆเลย หลับไปได้แน่นอนแต่มีบางคนนะเจ้าค่ะที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนคือนอนไม่หลับอ่ะเจ้าค่ะอาจจะนั่นเนื่องจากว่าจิตฟุ้งไหเจ้าค่ะใช่แน่นอนคนที่นอนไม่หลับนี่มีหลายสาเหตุเจ้าค่ะแต่ทุกทุกสาเหตุยังแก้ได้ด้วยการที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิน่ะเจ้าค่ะมันมีเตียงบางอย่างที่เป็นเตียงที่เลิศหรูอลังการมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็สามารถที่ คิดว่าจะทําให้คนนอนเนี่ยนอนสบายได้แต่ถ้าเรายังเป็นเดือดเป็นร้อนในเรื่องของการผิดศีลเป็นต้นอย่างเงี้ยคเป็นเดือดเป็นร้อนในเรื่องของการฆ่าคนเป็นต้นอย่างเงี้ยนอนเตียงแบบไหนก็ไม่หลับคุณใช้สงบอยู่ดีใช่ไหมจ๊ะต่อให้ใช้ยานอนหลับนะพอหมดฤทธิ์ยามันตื่นขึ้นมาอีกเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉนั้นเราก็ควบคุมจิตเรานี่แหละจิตเราต้องเป็นจิตที่สั่งได้จิตเราต้องเป็นจิตที่ควบคุมได้โดยการที่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิ พอจิตของเราเป็นสมาธิเรามีกำลังแล้วเนี่ยเราสั่งไปซ้ายมันไปซ้ายเราสั่งไปขวาปุ๊บมันไปขวาเราสั่งให้มันอ น, มนอนมันนอนเราสั่งให้มันคิดมันคิดให้เราสั่งให้มันนิ่งมันนิ่งได้เราต้องสั่งจิตได้อย่างนี้เจ้าค่ะถ้าสั่งไม่ได้มันก็จะไม่ได้เรื่องนะจิตแต่ในการที่เรากว่าเราจะสั่งจิตของเราได้อย่างที่พระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาพูดมานี้นะเจ้าค่ะยมคิดว่าคงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน คือสร้างพลังให้กับจิตอยู่ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหเจ้าคะจึงจะทำให้จิตเรานิ่งแบบนั้นได้เขามีโรงเรียนฝึกหมาเป็นใช่จต้องส่งหมาไปอยู่กับเขาเป็นเดือนนะกว่าถึงจะใส่ให้มันนั่งซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะเจ้าคะจิตเราต้องฝึกต้องสั่งต้องใช้เวลาใช่เจ้าคะอันนี้ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดว่า พระพุทธเจ้าหรือองค์菩萨สัมพุทธเจ้าเคยเปรียบว่าจิตของเรานั้นเนี่ยจะเหมือนกับสัตว์5ชนิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใมาป่ามาบ้านมีงูมีจระเข้แล้วก็มีนกด้วยใช่ไหมจ๊ะมาที่ต่างคนต่างก็มีธรรมชาติแตกต่างกันไปมีลิงมีลิงเป็นหกตัวเจ้าค่ะหกตัวมันจะพยายามดึงเราไปตามที่ต่างๆของมันเจ้าค่ะแล้วก็เราจะค่อยๆฝึกจิตของเราเนี่ยเราต้องจับเขาให้ได้ก่อนเจ้าค่ะจับให้เขาอยู่นิ่งให้ได้ก่อนถึงจะฝึกได้ อย่างลิงที่เขาฝึกที่เกาะสมุยอ่ะคุณเตือนใจเขาเขาจะฝึกลิงเนี่ยเขาต้องผูกลิงไว้ก่อนนะอผูกให้อยู่อยู่กับเขาแล้วก็ใช้ส really in ัญลักษณ์เครื่องหมายให้อาหารบ้างไม่ให้อาหารบ้างนะจิตของเราเหมือนกันเราต้องให้เขาอยู่กับเราก่อนนะซึ่งในที่นี้พระเจ้าก็พูดถึงวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตในวิหารธรรมแปลว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ใช่ไหมวิหารธรรมแปลว่าทําเครื่องอยู่ของจิตนะในที่นี้ก็พูดไว้หลายอย่างมากเลยใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ ที่พูดบ่อยๆก็จะมีอนาปานาสติเจ้าให้อนาปานาสติคือลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตจะก็ได้ถ้าเรามีที่อยู่ให้จิตแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอยู่หรือเขาไปแต่ถ้าเขาอยู่เราก็ฝึกได้ล่ะแต่เขาไม่อยู่เราก็เรียกเขากลับมาอเจ้าค่ ะ, ค ะ, คะเวลาในรายการเหลืออยู่เพียงไม่กี่นาทีนะเจ้าค่ะอ ย, อ, อยากขอกราบนมัสการ อขออนุญาตพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโดได้เมตตาที่จะสรุปให้แง่คิดสําหรับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เจ้าคะที่เราคุยกันเรื่องของจิตเนี่ยเจ้าคะ ว, าว่าเราตรงควรจะต้องฝึกนะจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งส่งมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเขียนมาเล่าให้ฟังถึงกระบวนการการฝึกจิตของตัวเองเนี่ยเร า, าต้องขอยืนยันว่าให้ทําต่อไปนะถึงแม้จิตเราละเอียดลงไปแล้วเนี่ยที่ละเอียดไปแล้วก็ยังมีละเอียดอีกที่ละเอียดไปแล้วก็ยังมีรละเอียดอีก นะเราก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆนะที่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าบ้างกันนะแล้วก็ว ค, คนที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยก็ขอให้ฝึกเถอะรับนะรองว่ามีประโยชน์แน่นอนชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้การงานเราดีขึ้นได้ครอบครัวเราดีขึ้นได้ก็เป็นเพราะว่าการที่เราฝึกจิตนั่นเองเจ้ค่ะก็เรียกว่าพอจิตมีพลังแล้วก็จะเกิดปัญญานะเจ้าค่ะใช่มีสมาธิมีปัญญาก็สามารถที่จะดํารงตนไปใน เรียกว่าในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็เป็นมงคลด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากการแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่28มกราคมนี้ค่ะข้าพุผู้ฟังคะธรรมราพรุณจะกลับมาพบกับผู้ฟังใหม่ในเรื่องของการสนทนาธรรมหรือสักกถาโดยดิ่ัจะไดะ้กลับน้ำสการเรียนเชิญพระอาจารย์ปบุญอภิปุโ น, โนแห่งวัดป่าดอนหายโศก ที่จากจังหวัดอุดรธานีนั้นมาสนทนาหรือสกักษาธรรมะ ให้ท่าผู้ฟังได้รับฟังกันอีกในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29มกราคมค่ะเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนดังนั้นก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับในเช้าวันเสาร์นี้เรามากราบนมัสการขอพระคุณอย่างสูงและก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโโภพโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกลับน้ำมัสการเจ้าค่ะพระจันเจ้าขาเจริญพารสาธุเจ้าค่าะเจริญพารเจริญพารโอเค